แนะนำบทอัลกาฟิรูนบทอัลกาฟิรูนเป็นบทมักกิยามีหกองค์การที่ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอ์และพ้นจากการตั้งพาขีและการหลงทางพวกเขาบูชาเจวดได้เรียกร้องท่านรอซูลสันลลล้อหัวไหวะสันลังไปสู่การทำสัญญาสงบสึกและเรียกร้องท่านให้สการะบูชาพระเจ้าของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี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 ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ uh จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอาบบุุดดม